คอลัมน์เขียนให้คนเป็นเทวดาตอนที่9วิธีเขียนให้เอาไปใช้ได้จริงบทที่ผ่านมาคุณเรียนรู้ว่าความฝันเป็นอย่างไรตรงไหนเป็นไปได้ตรงไหนเป็นไปไม่ได้ในโลกความจริงและผมยกตัวอย่างว่าจะนำส่วนที่เป็นไปได้จริงในความฝันมาคิดต่อให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างไร หากคุณฝึกกลั่นกรองว่าส่วนใดของความฝันตรงกับความจริงก็เท่ากับฝึกแยกเอาส่วนเกินที่ไม่จริงทิ้งไปและคุณก็จะพบว่าแม้ยามตื่นระบบความคิดของมนุษย์เราก็มีทั้งส่วนที่เหลวไหลไร้สาระกับส่วนที่เป็นแก่นสารน่าให้ความสำคัญเพราะเอาไปใช้ได้จริงและทาให้ชีวิตดีขึ้นหรือทาให้พ้นทุกข์ได้สาหรับบทนี้ ขอบเขตของคําว่าเอาไปใช้ได้จริงจะหมายถึง 1. การได้แง่คิดคือการทำให้ฉุกใจฉเฉลียวใจมองในมุมที่ต่างไปที่เคยนึกว่ารู้แล้วก็เปลี่ยนใจใหม่เช่นหลายคนสำคัญว่าสาวสวยรวยเก่งจะเป็นสุขแัะภูมิใจในตนเองต่อเมื่อคุณเขียนจารณายรายละเอียดของชีวิตสาวประเภทนี้ได้ตรงตามจริง จนคนอ่านยอมรับว่าคุณสมบัติเลอเลิศอาจนำมาซึ่งทางเลือกอันยุ่งยากน่าสับสนก็จะเกิดแง่คิดว่าความเลอเลิศเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของทุกความเลอเลิศจะก่อสุขขึ้นในใจเจ้าตัวได้ต่อเมื่อเจ้าตัวรู้จักใช้ความเลอเลิศในทางสร้างสรรทำประโยชน์ให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้มิฉนั้นก็จะงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต และไม่อยากมีชีวิตได้เท่าเท่ากับคนไร้คุณสมบัติทั่วไปนั่นเอง 2. การได้เข้าใจคือการทำให้รู้เหตุรู้ผลตามที่เป็นจริงเช่นทราบชัดว่าต้นตอของความทุกข์ทางใจไม่ได้เกิดจากรูปที่ตาเห็นไม่ได้เกิดจากเสียงที่หูได้ยินไม่ได้เกิดแม้จากความคิดที่ผุดขึ้นในหัวให้ใจรู้ แต่เกิดจากความทยานอยากอันเป็นยางเหนียวในอกยืดออกไปยึดติดได้แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่น่ายึดใครจะเก็บรักษาแม้สิ่งที่ไม่อาจรักษาตัวเองไว้ตราบใดที่ยังมียางเหนียวอยู่ในอกตราบนั้นใจกับวัตถุภายนอกยังเชื่อมติดกันเหนียวเหนอะแม้ทำดีแค่ไหนมีบุญมากเพียงใดก็ไม่พ้นต้องเกิดทุกทางใจยางยิ่งเหนียวเท่าไรใจยิ่งเป็นทุกเท่านั้น 3. การได้ข้อปฏิบัติคือการทําให้ทราบชัดว่าจะต้องทําอย่างไรณจุดที่ตนเองกําลังยืนอยู่เช่นถ้าฟุ้งซ่านจัดจัดหมกมุ่นคลุ้นคิดแต่เรื่องของตัวเองก็อย่าเพิ่งไปหวังทําสมาธิอย่าเพิ่งไปหวังทําลายความอยากให้สิ้นจากหัวใจแต่ให้รู้ว่าเพื่อทําความฟุ้งซ่านให้เบาบาง ต้องลดการพูดร่ำเพื่อลดการเสพหนังเสพละครที่กระตุ้นความวุ่นวายกับทั้งหันไปเสียสละแรงและเวลาให้คนอื่นบ้างรู้จักห้ามใจไม่ให้ทำอะไรตามอำนาจกิเลสสั่งเมื่อความฟุ้งซ่านและความหมกมุ่นเอาประโยชน์เข้าตัวเบาบางลงจึงค่อยปลอดโปรง่งพอจะทำสมาธิกับเขาไหวจะหลายเมฆหมอกที่บทบางแสงสว่างพอจะเกิดปัญญาเห็นตามจริงรู้ทางสว่าง มองออกว่าเหล่าพระผู้บริสุทธิ์ท่านทำกันอย่างไรจึงพ้นทุกพ้นกิเลสได้เด็ดขาดในทางธรรมนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างขอเพียงรู้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นไปได้จริงที่สุดคุณก็เขียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดได้ไม่ว่าจะให้แง่าคิดให้ความเข้าใจหรือให้ข้อปฏิบัติกับผู้รับและเพื่อรู้สิ่งที่ดีที่สุดคุณไม่อาจฝันเอา คุณไม่ใช่ใช้อารมณ์แต่คุณต้องอยู่กับชีวิตจริงและใช้สติปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลต่อไปนี้เป็นกรอบวิธีใช้ชีวิตเพื่อให้รู้จักเหตุรู้จักผลอันจะนำไปสู่การเขียนให้อ่านแล้วใช้ได้จริง 1. นึงฝึกห้ามใจก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าที่คนเรามองโลกแล้วไม่เกิดแง่คิด ก็เพราะคนส่วนใหญ่ชินที่จะปักใจเชื่ออะไรง่ายๆตามอาคติของตัวเองมาตั้งแต่เกิดอย่างเช่นเชื่อว่าใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆก็พออยากได้อะไรก็เร่งหามาชอบใจใครก็ควรเชียร์ไม่ชอบใจใครก็ต้องแช่งคนเราจึงมองไม่เห็นรายละเอียดอื่นๆกับทั้งไม่มีแก่ใจตั้งข้อสังเกตใดๆทั้งสิ้นรักก็ทาอย่างที่รักเกลียดก็ทาอย่างที่เกลียด ไม่แตกต่างอะไรจากขณะของความฝันทื่อๆตรงไปตรงมาขณะตื่นเต็มสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณแตกต่างจากตัวตนดิบๆก็คือความยั้งคิดก่อนทำเมื่อใดก็ตามหากสามารถห้ามใจตัวเองให้อยู่ในกรอบในกติกาอันเป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขกับตนเองและผู้อื่นขอให้เขียนแจกแจงอย่างละเอียดว่า มีเหตุผลอันใดอยู่เบื้องหลังการห้ามใจของคุณและเกิดผลดีอย่างไรบ้างหลังจากห้ามใจสำเร็จการบันทึกแง่คิดอันเกิดจากการห้ามใจตนเองสำเร็จในแต่และครั้งจะค่อยๆกลั่นความคิดของคุณให้แยบขายขึ้นเรื่อยๆและเห็นอะไรได้ตามจริงครอบจักรวาลยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณจะตัดสินใครสักคนว่าเป็นอย่างไรเมื่อรู้จักและต้องคบหาใครสักคน คุณจะไม่มองประหลาดเดียวและคิดอะไรง่ายๆเช่นใหญ่ยยเนี่ยถ้าทางไฮโซเอาแต่ใจตัวสมองกลวงหาที่รัดไปวันๆแต่คุณจะใจเย็นมองให้เห็นรายละเอียดต่างๆเช่นภายนอกที่ดูไฮโซนั้นมาจากฐานะทางบ้านหรือความสามารถหาเงินเองรสนิยมในการเลือกของใช้เป็นอย่างไรวิธีโต้อตอบกับสถานการณ์ต่างๆในแต่ละครั้ง เหมือนเดิมหรือผิดแผกแตกต่างตามกรณีเมื่อเกิดปัญหามีวิธีคิดแก้ไขา ย, ยับายนหรือมักง่ายเป็นต้นการไม่ด่วนตัดสินคนจะทำให้คุณพบความจริงร้อยแปดเช่นภาพที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความจริงบางส่วนอาจก่อให้เกิดภาพลวงเมื่อสั่งสมประสบการณ์เห็นคนเพิ่มขึ้นในแต่ละวันถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้จักคน ด้วยแง่คิดต่างๆนาน า, นาเช่นคนเราเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆต่อให้วิชาโงเ่เฮงแม่นยำเพียงใดก็ไม่จำเป็นต้องทำนายลักษณะนคนได้ถูกต้องเสมอไปถึงวันหนึ่งคุณจะพบว่าคนจริงๆที่มีเลือดเนื้อและวิญญาณนั้นไม่ใช่พระเอกนางเอกหลังข่าวแต่ละคนรับใช้กิเลส ด, ด้วยกันทั้งสิน้นใครรับใช้มากหรือรับใช้น้อยเท่านั้นกับทั้งเมื่อมองย้อนเข้ามาดูตัวเอง ก็จะไม่คิดว่าตัวเองดีที่สุดเมื่อใดเลิกแปะป้ายชอบหรือไม่ชอบใครๆได้อย่างเด็ดขาดคุณจะได้แง่คิดเพิ่มขึ้นแทบทุกวันจากการเห็นพฤติกรรมมนุษย์แต่เมื่อใดมีความชอบหรือไม่ชอบมาเป็นตัวตั้งความเป็นเขาหรือเธอก็จะเหมือนมีม่านมาบดบางอย่างหนาทึบทันทีและคุณจะไม่ได้แง่คิดใดๆจากการพบเจอมนุษย์เอาเลยเมื่อเกิดแง่คิดใดคุณควรเขียนบันทึกไว้ดีๆ เอาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ในที่สุดคุณจะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยแง่คิดให้คุณเขียนถึงมากมายเหลือคนานับและแง่คิดของคุณจะล้วนมีค่าเพราะทําให้คนที่ยังไม่คิดได้คิดตามหรือกระตุกให้คนที่คิดเป็นลบหันมาคิดเป็นบวกได้หลายต่อหลายครั้ง 2. คบหากับนักปฏิบัติจริงถ้าคุณเอาแต่มัวสุมกับนักทฤษฎีส่วนหนึ่งที่เป็นเสือกระดาษ ดีแต่พูดชอบที่จะให้คนอื่นทําตามที่ตัวเองพูดแต่ตัวเองไม่ทําในสิ่งที่พูดมาสักอย่างคุณจะติดนิสัยของคนพวกนี้และแนวโน้มคือคุณจะเติบโตขึ้นในโลกของธรรมะเยี่ยงนักคิดที่ไม่มีประสบการณ์ตรงเป็นสมบัติติดตัวเอาเลยแต่หากคลุกคลีกับนักปฏิบัติที่รู้ถูกและทําจริงไม่อวดตัวชอบที่จะเตือนตนเองมากกว่าเพ่งโทษผู้อื่น เลือกพูดเฉพาะเท่าที่ทำได้และเห็นประโยชน์สุขแล้วหรือแม้เมื่อใครให้สอนก็สอนตัวเองไปพร้อมกับสอนคนอื่นคุณก็จะติดนิสัยไปอีกแบบและแนวโน้มคือคุณจะเติบโตขึ้นในโลกของธรรมะเยี่ยงนักธรรมที่รู้ไปหมดหมายเหตุผู้อ่านนักธรรมในที่นี้สะกดด้วยททหารสระอําและแนวโน้มคือ คุณจะเติบโตขึ้นในโลกของธรรมะเยี่ยงนักธรรมที่รู้ไปหมดเห็นไปหมดว่าทําอะไรจริงๆแล้วเกิดผลใดขึ้นจริงๆตามมาไม่ว่าแง่ดีแง่เสียใดๆเมื่อเกิดแรงบันดาลใจอย่างไรงานเขียนของคุณก็จะเป็นไปตามนั้นถ้าคุณเป็นนักธรรมงานเขียนส่วนใหญ่ของคุณจะทําตามได้จริงส่วนนักคิดไม่มีทางปลอมตัวเป็นนักธรรม ถึงปล่อยได้ก็เดี๋ยวเดียวในที่สุดคนก็จับได้หรือแพ้ภัยตัวเองต้องลอกเรียนสิ่งที่นักธรรมทั้งหลายเขียนไว้ก่อนแล้วพูดไว้ก่อนแล้วและจะต้องรู้อยู่แก่ใจไปทั้งชีวิตว่างานของตนก็คือการขโมยงานคนอื่นมาเป็นหน้าเป็นตาให้ตนเองเท่านั้นการพบปะพูดคุยกับนักปฏิบัติจะทาให้คุณพบกับความจริงที่โปร่งใสประการหนึ่งคือ ไม่มีใครทำอะไรได้ทุกอย่างโดยปราศจากอุปสรรคและทุกคนก็ต้องการรู้วิธีเอาชนะอุปสรรคซึ่งจะรู้ได้ลึกซึ้งละเอียดละออก็ต่อเมื่อผ่านประสบการณ์มาแล้วเยี่ยงนักธรรมกล่าวได้ว่าการเป็นนักธรรมนั่นแหละที่จะช่วยให้คุณรู้วิธีเอาชนะอุปสรรคและการเขียนถึงวิธีการเอาชนะอุปสรรคนั่นแหละคือสิ่งที่จะทาให้งานเขียนของคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามโอกาสจะสังสรรสมาคมกำนักปฏิบัติจริงนั้นอาจยากเพราะคนปฏิบัติจริงมีน้อยไม่ว่าปฏิบัติจริงในเชิงเสียสละปฏิบัติจริงในเชิงห้ามใจไม่ให้ประพฤติ ช, ชั่วตลอดจนปฏิบัติจริงในเชิงการภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริงเข้ามาในกายใจเอาชนะกิเลสดับทุกข์ดับโศกได้เด็ดขาดฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งผู้อื่น ก็คือศึกษาให้ดีว่าหลักการเสียสละที่ถูกต้องเป็นอย่างไรศีลสัตว์ที่ควรรักษามีอะไรบ้างการปฏิบัติธรรมภาวนาเขาทำกันท่าไหนแล้วลงมือทำเองให้รู้รายละเอียดว่าเกิดผลอย่างไรในแต่ละข้อแต่ละขั้นสรุปคือเมื่อทำตัวเป็นนักปฏิบัติจริงก็เท่ากับคุณจะได้พบและได้รายละเอียดจากนักปฏิบัติตัวจริงตลอดเวลา และสำหรับแม่บทที่ถูกต้องเกี่ยวกับทานศีลและภาวนานั้นผมจะกล่าวถึงในบทต่อๆไปครับดังตรินกุมภาพัน์พุทธศักราช2550คครรรวนิดดูููเหม อ, อาจยัง้ล